นาทีอะไรพกเรก็ตั้งใจดีนะแต่พวาเราก็มีคนต ko. ั้งใจที่จะให้โอกาสโอกาสจิตใจของเราเองครับเป็นไงดีบ้างเหรอเกิดอะไรขึ้น รู้สึกยิไปีเห็นอะไร แตอนนี้ก็จะเกิดอะไรอย่่อกี้นีเยอนะเนาะอดีตเยอะไปเลยแต่ตอนนี้อะตอนนี้ก็จะเกยดอะไรไดีใจใช่ยหมดีใจอยู่ถึงตอนนี้หรือดีใจเพราะคิดถึงว่าอีกไม่นานจะ ไ, ได้กลับมีไหมดีใจ ใสรู้สึกเสียดายทำไมเร็วเลือเกินทำไมติดตารอจนเดือนใส่ได้มาปฏิบัติทำไมจะจบวันแล้วนี้มเสียดายบ <c> า <oughs> <c oughs> ทีก็แปลกเนาะบีงที่างื่อวาวบางคนก็อาจจะรอเจะได้มาปฏิบัติธรรมไปได้มาฟัง พอมาแล้วบางทีจิตใจเปลี่ยนเนาะพอม่วานก็เมื่อไระเมอไรจะสี่งเย็นเนี่ยแต่แน่นะเดี๋ยวพอตอนนาทีผ่านไปก็เสียใจนะอืมไมปฏิบัติเต็มที่อยู่ยวจะพูดอีกแต่ว่าเดินนีก็จะมีปฏิบัติอ่า มันจะเกิเดยางไรก็ไม่เป็นไรนะก็จะดูมันแบบตลอดๆคือ ด, ดูจิตใจมันมันไม่เนะมที่ยงนะบางทีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อยาเดี๋ยวก็ไม่ยาเดี๋ยวก็สนุกเดี๋ยวก็เบื่ออะไรเนะี่ยก็ดูนะถ้าเราเห็นอย่างนี้นะความรู้สึกมันะมันจะเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นกับกับอะไรที่าง่นนะลองดูก็ได้ อะไรที่เราว่าชอบมากๆนะถ้าเราก็ลองทำไปแล้วก็จะเห็นว่าที่จริงไอ้ที่ชอบมากๆบางครั้งมันก็แค่ชอบบางครั้งก็เฉยบางครั้งก็เบือเลยก็เปลี่ยนไปชอบอะไรนะการปฏิบัติทำาทีถ้าเราไปคิดว่าต้องเหมันจะต้องมืดวันนี้เป็นแบบนี้ตัวนี้ต้องแบบนี้นือดีขึ้นนะมันมีมาตรฐานหรือว่ามันจะต้องดีนะ แต่จริงปฏิบัติธรรมนั้นบางทีเหมือนพูดประโยชนบางวันพุ่งบางวันดีเอาแน่ไม่ได้นะเอาแน่ไม่ได้บางทีบางทีเพลินบาง ท, เทีเบือ่ออันนี้คืออันนี้คืออาการนะนี่คืออาการซึ่งเรามันไม่ใช่มันไม่เป็ผมที้ว่าว่าเราปฏิบัติดีหรือไม่ดีเพราะว่า อันนี้มันเพลินหรือวันนี้มันเบื่ออันนี้ไม่ใช่นะตัวที่เจ็ดคิดว่าจริงๆคือใจเราอยู่กับมันได้ไหมใจเราเป็นการปฏิสัมธ์รัตัวนี้นะ้มสมมติถ้ามันดีแล้วก็ดีใจไปด้วยพอใจไปด้วย่ออ น, นี้ยังไม่ค่ยดีเท่าไหร่นะคืออาการมันดีก็เราก็เลยปลุกไปกับมันวันนี้อาการไม่ดีแเราก็ไปทุบไปกับมันนะอันนี้คือเรียกว่าไปกับมัน แต่ถ้าสมติมันดีใจเออเห็นมันดีใจอันแนบดีหรือว่ามันเบื่อมันโมโหมันอะไรขี้เกียจแต่ก็ยังอยู่กับการปฏิบัติยังสู้ยังอดนยังดูมันอยู่เออไอแต่ไม่ดีนะคือไม่ใช่ว่าเพราะว่ามันเบื่อมันพมโมันม่คือเราปฏิบัติแย่ปิตใจเราที่จะอยู่กับมันได้นะแต่มันก็ไม่หาย มันก็ไปเปฟนมาๆเหล่า น, นี้นแหละวนๆทั้งวันน่ฮะทำไนก็ไม่ออกนะแต่เราก็ยังอยู่ตัวมาได้นะนี่วัดถืว่าดีนะ <c oughs> แปลกนะ <c oughs> ค, คือคือไม่ได้คือเราไม่ได้วัด ท, ที่ที่อาการที่มันเกิดขึ้นนะแต่เราวัดที่ว่าสภาวะใจ ท, ที่ที่รู้ที่ดูมันอ่ะ <c oughs> มันเป็นแบบไหมันไหวไปหรือ ไหวไปกับมันหรือว่าแค่ดูมันแล้วก็มันจะเป็นอะไรก็เป็น <c oughs> เราก็ดูมันเป็ที่มันเป็นนะอันนี้มันบางทีมั น, ม น, มนถ้าเราเข้าใจตรงนะีง้นะการปฏิบัติก็จะเหมือนเราก็จะท้อคือธรรมดาธรรมดาวันนี้ดีตู้นี้อาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยความคาดหวังว่า มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ตลอดนะเมื่อวัดเมื่อเมื่อวันที่มันตกเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราเป็นแบบนี้อันนี้คือถ้าเราเข้าใจนะครับวันนี้มันเป็นก็แค่ยอมรับว่ามันเป็นนะแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับมันพอใจสบายอยู่กับมันได้จนมันก็กลับมาสบายขึ้นอะไรเองถ้าเราเข้าใจเรื่อง แต่าภาวะการปฏิบัติมันก็มันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่ใจดีทุกวันไม่ใช่ใจดีตลอดแต่สำคัญที่ใจเราเป็นการปับมันได้รู้มันดูมันได้ไหมเนี่ยสำคัญที่สุดเป็นเวลาให้ถามแต่ไู้ได้มีคนถามทวกเขาก็เป็นเวลาให้นะเป็นโอกาสให้หนะนึ่ง ก็ได้แต่เยวใช้ใช้ตือปากมาเรื่อคนเดคค่ะเงนน้าถือไม้ลอยไม่หน้พียเลย่มานแนยกตู้ท้เนะรไป่งร่งตคุเนะ แค่เดียวก็ดีกับก็ก็คือไม่สำเร็จนะคะเคยมามาไหนมามาเ่อนอีกรอบเป็นเป็นครั้งที่สีอ่ะก็ครั้งนี้ก็ก็เป็นครั้งครั 3. 3้งแรกนะก็เท่าๆที่ปฏิบัติมามาได้หนึ่งึงวัน่เสร็จชแล้วก็คิดที่ว่าจะเสร็จองบนี้ก็คงคง ไม่ได้อะไรมามาจากเท่าไแล้วก็ที่ที่ได้เพก็คือว่า อยากพัฒนาสติเนี่ยพัฒนาสติมีสติในชีวิตประจาวันในการใช้ชีวิตมากขึ้นในเรื่องในเบื้องต้นก่อนดีแล้วถ้าเทียบนะวันนี้ที่วิโยมันไม่ค่อยได้อะไรเทียบกับเมื่อวานโยมีสติมากกว่าเมื่อวานมีมากกว่าเยอะไหม แนม่ก yeah, yeah. ็ได้เรียนรู้เป้าหมายขึ้นนั่นนะจางเมื่อวานที่เราวันนี้เราก็มีพัฒนาการนะคือพัฒนาการคือเราก็มีสติมากขึ้นโดยอาจจะด้วยมีก็อาศัยจริงไวดล้อมบ้างอาศัยรูปแบบช่วยถ้าอบรมทำแบบเนี้ยบ่อยๆนะอาศัยรูปแบบเรา มีเวลาล ว, ลวก็ปฏิบัติในเรื่องแรงแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็มาในติ่งเร้าที่เขาปฏิบัตินะเราก็จะทําให้มีการเจริญสติคือสติก็จะพัฒนาได้ได้อย่าต่อเนื่องมากขึ้นนะนี่คือแต่ก็คืออย่างที่โยมมาแหละทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละไม่ว่านะปฏิบัติตัวเข่าก็ เ, เ, เ, เ, เหมือนกันนะตัวเช่นพอเรากลับมามีสติแล้ว เดี๋ยวก็เจอไี่คิดอยูแล้วเราต้องปับังใหม่อ้าต้องเจอมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนนะแต่สิ่งสาคัญกรสังเกตใจใจของเรตอนนั้นมันเส้นมันหลุดหีมไหมเช่นว่าทำไมเป็นแบบนี้อ่แล้วศึกษาปรับมาแล้วทำไมไปอีกศึกษาปรับมาแล้วก็อีดใจหลุดหีมไหมถ้าใจยังอยุ่หีบอยู่แต่ก็บางใจได้ถูกแต่ถ้าเลนไปเร่อยๆอะไรก็ตัดมา ไปเมห่อก็กลับมาเนยนะใจได้เป็นกลางนะดูนะคือไปเหมือนกันนั่นแหละแต่พอกับแต่พอไปแล้วมือจีบทำคางนะไม่พอใจที่มันไปไม่หรือว่าไปก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นที่บอกมันก็ไม่เทีย่ยบบางคั้ไม่ได้แล้วก็พอเราล้มเหลวไปแก็กลับมาใจเราเป็นกลางนะอันนี้คือเราจะเห็นนะถ้าใจเราเป็นกลางมนะากึ่งก็แปลว่าอ่า พัฒนาการทางจิตใจก็มากขึ้นนะต้องต้มดูแต่ถ้าเราแต่เราก็อาศัยความเพียรที่เราพยายามทํานบ่อยแล้วก็สังเกตดูสภาวะจิตใจว่ามันรู้สึกอย่างไรกับสภาวะอารณ์ในขณะนั้นแร้วก็จริงๆก็อย่างที่ว่าเราอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นการเจือนสตินะถ้าโยมจะหลับตรงนี้ได้โยมก็เคลื่อนไหวไม่แต่ขื่นจนหลับนะ ตอนหล <laughs> <s ka atch iga> ันก็ให้คักไว้ก่อนไม่ต้องไปรู้มากะแต่ตื่นขึ้นมานะดูมาเลยดูร่างกายที่นอนนะบองทีก็ไม่ต้องรีบมากถ้าไม่ใช่เวลาต้องรีบไปทํางานก็ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นีันมาก็ความตื่นขึ้นมามันจะไม่ค่อยยังไม่ขยับตัวหมายถึงว่ายังไม่จะไม่รีบเลยจะขยับขาขยับมืออะไรบานทีก็ดูตรงเลยไปก่อนขยับตัวให้มัน คล้ายๆคือร่างกายมันก็ตื่นแล้วก็ให้จิตใจมันตื่นจากสติถ้าพักหนึ่ก่อนเราค่อยเราค่อยเลื่อนขึ้นมานะมันเหมือนกับการตั้งหลักนะแต่สมมติถ้าเราตื่นเราก็รีบลุกนะมันเหมือนเริ่มต้นก็แบบขาดสติขาดสติต้องรีบนะเหมือนถึงพอรู้ตัวลุตแล้วรกบลุกทำนั่นทำนี่มันก็ขาดสติต่อไปกว่าจะเรียกสติได้มันก็ไม่รู้อีกงานอะไรแต่พมมตถ้าเราตื่นขึ้นมาเราเรตั้งสติก่อน สร้างสติในในท่านอนต่อไปสติมันก็จะไปตามในการพับต่อหมในการแปรงฟันล้างหน้ามันก็เจนหน้าเนี่ยถ้าเราฝึกเนี่ยโดยก่อยจะท่านแม้แต่ตอนเข้านอนก็เหมือนกันตอนเข้านอนก็ไม่รู้นะถ้าไม่เหนื่อยมากอย่าเพิ่งรีบดับไม่รู้จะให้นำาคือถ้าไม่เหนื่อยมากอย่าเพิ่งรีบดับคือฝึกสติไยก่อนเนี่ยฝึกสบสบาย เดิจมก้มยุบในท่านจังหวัดอื่นนอนรวมหายใจนะทีเหมือนปี่ไคยือนให้เพื่อเพื่อจิตเตรียมจิตเตรียมใจให้มันหลับไปพร้อมกับสวดเรียพอมันมันจะดีกว่าแต่บางทีสังเกตไหยบางวันที่เราทํางานเหนื่อยมากเพียมากแล้วก็ดับไปเลยนะพอดับอิ่มอ่ะคราวนี้พอเริ่มตื่นจากการหลับจะคิดฟุ้งซ่านฝันบางทีก็จะฝันเยอะนะ ตอนนี้กนนะแต่ถ้าว่าไหนไม่ถึงกับเคลียมากกบปฏิบัติไปก่อไม่เหมือนเคลียงานหรือเคลียอารมณ์ที่มันข้างค้างในใจแฉละวนันอาจจะฟุ้งนะตอนนั้นอาจจะฟุ้งก่อนนอนอาจจะฟุ้งก็ไม่เป็นไรฟุ้งก็รู้ก็ทําไปทําไปมันเหมือนเคลียออกเคลียออกเคลียออกตอนกลาคืนก็พักแบบไม่ค่อยฝันนะมันก็จะไม่ค่อยฝันตื่นเช้าขึ้นมาก็ เราถีบกระเป๋าเพืนหนัอันนี้คือถ้าเราทำประจํามันก็จะมันก็จะดีมากๆเลยแต่อย่าไปตั้งใจมากเกินไปนะอืาคือถ้าตั้งใจมา ก, กไปบางทีก็จะไม่ดับอ่าถ้าทำสบายๆทำเรื่องๆดับเมื่อไร่ก็ช่ามันแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดขั้นว่าบางทีเราไปฟังคนอื่นพูดนะบางทีต้องรู้ให้ได้จนชัางว่า ตอนจะหลับเนี่ยลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกปิดมือครอบมืออะไรเนไม่ต้องขนาดนะั้นก็ได้นะแต่มันจะเครียดมันจะไปคอยกลัวจะมีเรื่องอะไรนะเชื่อมันทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยดับก็หลับไม่ดับก็ไม่รับนะครับวางใจไปเรื่อยนะบางคือมันมันดับเร็วบางคือรับช้าไม่เป็นไรให้เราพักใจไปก่อนนะครับ ยังไม่หลับไม่เป็นไรจะนอนเล่นเ่ไปหลับเ ม, มื่อไรจะทำงานเนี่ยทำแบบนี้บ่อยๆมันจะเป็นการเจอมาทีนั้นแต่ตื่นเจะหลับส่วนในชีวิตประจําวันบางทีเราอาจจะรู้กายไม่ได้เยอะมากนะบางทีเช่นเราทํางานเราพูดคุยเราคิดบางแผนบางทีอาจจะอาจจะไม่รู้กายตลอดนะรู้แค่บางครั้งนะ แต่เราถ้าเราต่อยุคก็เหมือนรู้ทันอารมณ์เวลาพูดคุยเจอเพื่อพูดกระแทกคือเราเสนอเจอมิจฉาเพราะใจเรารู้สึกอย่างไรนะ่ยมีผลชมแล้วก็ถ้าเราหลงแล้วก็พูไปกับคําชมเราถ้าเราสะมาเห็นเก็เห็นใจคูแน่นอนดีนะแต่เราพูดไปกับใจเนีหลนะเห็นใจมัคูเนี่ยโอเคเห็นใจมันเหียวโดนว่า <te vitamin wollt> <c oughs> เหี่ยวได้นะแต่เราเห็นใจมันี่ยนี่คือบางทีเราก็เห็นเลยนะนะเห็นในชีวิตปรนนะจำวันอาการหของใจอย่างที่ว่ามันดีไม่ดีนะี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันเกิดตามมนะันเองเนาะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราตามรู้รับรู้หรือนนะเรื่องความเป็นการรู้เฉยแต่มันเนนะี่ยอันนี้คือการปฏิบัติทำะ น, น, นะในชีวิตประจำวันเราก็ทําได้ตงรงนี้เลยเนาะ เอนะแก้ก็แก้เพราะว่ามีตอยู่นี่ต้อนแก้แต่ก็ขอให้ดีนะแต่ก็ก็ผมก่งเข้ามาแต่ว่าก็มาที่นี่แต่ก็พอเรยนรู้กเรียนรู้แต่ก็รู้ร้ว่าเรควรจะเนยัง เพื่อจากการที่แบบเมื่อตนม้งนอนมีอะไร่างเงคงงงแต่การก่อนอนเม่อตอนนอนใช่ไหมเดินเยอะๆวุ่นมากๆก็ไปล้างหน้าลางตานะคือท่านเอนอนเนี่ยพยายามปย่ไปนั่งทีง็ันี้นั่งพีงฝาหรือนตึ้งเลื่ิน นั่งหน้านั่งตาถ้ามันจะให้เราก็ให้มันเดินก็จะรับจิตมันจะไม่กล้าหลับตอนเดินเท่าไหร่หรอกนะฟู่ๆนะ